ทำร่วมกันนะคะย่ามาเจอรู้ วันนี้ก็ น, นะว่าเป็นวันมงคลมหามงคลอย่างที่พวกเราได้ปรารภกันมานมนานที่จะมีการทำบุญในวันนี้ที่เป็นวันเกษียณอายุราชการของเนี่ยที่ผู้ได้ทาพระคุณอุปการให้กับโรงพยาบาลมานมนานเมื่อจ ะ, กะเกษียณพวกเราที่เป็นน้องๆพวกเราก็ได้มารวมมาร่วมกัน แสดงออกซึ่งความากระตันยูหรือว่ า, าที่พวกน้องๆทั้งหลายที่รับไม้ที่จะดำเนินการต่อไปผู้รุนพี่ก็ได้เบิกบุกเบิกมาทำการทำงานมานายาวนานทีเดียวให้กับโรงพยาบาลศูนย์อุดอรของพวกเราแห่งนี้นะตอนน่อไปหลวงพ่อจะได้ กล่าวสมโภตนิยกคาถาขอให้พวกเราทุกท่านตั้งใจฟังที่หลวงพ่อจะได้พูดได้กล่าวให้แนวความคิดเพราะว่าพวกเราท่านทั้งหลายที่มาทำการทำงานก็คือทำงานกับโรงพยาบาลให้กับให้ความรักษาสุขภาพกายสุขภาพจิตให้กับพี่น้องประชาชนมายาวนาน แต่บัดนี้หลวงพ่อจะได้มากล่าวเรื่องธรรมะเข้าสู่จิตใจของพวกเราทุกๆ ท, ท่านอีกคือธรรมะคือคำสอนของพุท ธ, ธะเนี่ยท่านมีความเห็นหรือมีความหมายอย่างไรในที่พวกเราจะได้ศึกษาจะได้ฟังต่อไปนี้นะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นาโมตัสสะปะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะปะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังขารมุตตะมันติขยะวิยะธรรมมาสังขาราอปปมาเดนะสัมปาเดธาติติ วันนี้นะว่าเป็นวันมงคลมหามงคลยิ่งพวกคณะมีท่านผ อ, อและคณะแพทย์คณะพยาบาลคณะพนักงานแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลศูนย์อุดอรธานีแห่งนี้ได้มาร่วมมารวมกันจัดงานที่โรงพยาบาลอุดอรธานีจะมีการจัดจแสดงมุทิตาจิต ให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่จะกเกษียณอายุราชการประจำปีพุทธศักราช2559ในวันพุทธที่วันพุทธที่14กันยายน2559ณห้องประชุมชั้น7อาคารอำนวยการพวกเรานั่งอยู่ณนะขณะนี้เดี๋ยวนี้ก็เป็น ที่ทราบกันเป็นที่รู้กันว่าพวกเราได้จัดงานเพื่อกเกษียณอายุแต่ลูกพ่อมาเห็นแล้วก็เห็นคณะศรัทธาญาติโยมมีทั้งท่านพ่อที่เป็นประธานแล้วก็มีคณะหมอพยาบาลและผู้เกี่ยวข้องได้ร่วมกันตักบาตรใเช้าเนี่ยอุ่นหนาฟ้าข้างอบอุ่น รู้สึกว่ามีมากทีเดียวแล้วก็พร้อมกันเมื่อพวกพระสงฆ์ฉันพัฒหารเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อพวกเราตักบาตรเสร็จเรียบร้อยแล้วพวกเราก็ได้ฟังเจริญพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนตรก็เป็นอันเสร็จสิ้นจากนั้นก็ได้ถวายพัทหารพระสงฆ์พวกเราก็ได้รับทานอาหารตามมัตยาใสแต่บัดนี้มาถึงจุดที่พวกเราจะต้องจะได้ฟัง แนวความคิดหรือว่าฟังพระธรรมเทศนาที่หลวงพ่อจะเป็นผู้เป็นองค์แสดงจะได้กล่าวสมโติทนิยกถาให้กับพวกเราท่านทั้งหลายาได้ฟังเพื่อการศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเพราะว่าพวกเราท่านทั้งหลายถึงจะเรียนรู้พุทธศาสนาพุทธศาสนาเนี่ยมันมีใช่ว่าเรียนวันเดียวคือเดียวนะต้องเรียนศึกษา นานๆทีเดียวนา น, นาเป็นนาน า, นาทัศนะทีเดียวน า, นานาความคิดในหลักของพทธศาสนาท่านสอนไว้กว้างขวางถึง8ป0 0 0ื่นี่พันพระธรร ม, มขันค h เพราะฉะนั้นพวกเราจะเรียนประเดียวประเดาคงจะจบหรือว่ารู้เข้าใจง่ายๆเก่็คงอย่างนั้นก็ต้องเป็นผู้มีบุญวาสนาบัณมีเก่าแก่ที่มาฟังเข้าไปแล้วก็จบเลยรู้เท่ารู้ทันรู้แจ้งเห็นจริงเลย อันนั้นก็มีอยู่แต่สำหรับพวกเราพวกทันทาพิญญาพวกจะต้องเรียนจะต้องศึกษาไปเรื่อยๆก็มีอยู่มากเพราะนั้นพวกเรามาถึงจุดนี้พวกเราก็จะได้ศึกษาเรื่องพุทธศาสนาแต่ลวงพ่อเองอยากจะยึบยกหยิบยกขึ้นมาก็เกี่ยวกับวันนี้เป็นวันที่พวกเราอายุเกษียนอายุเกษียณอา ย, อายุราชการ กา ร, กรเกษียณอายุราชการก็ต้อง60ปีอันนี้ก็คื อ, เ, อเวทเสียแต่ข้าราชการบางหน่วยบางกลุ่มอย่างท่านพี่ภากคีนี่ท่านก็เกษียณอยู่แต่ท่านก็ยังทํางานไปอีกตัง70ปีที่หลวงพ่อได้ทราบข่าวแต่นอกจากนั้นมาก็มีแต่60ปีเป็น เ, เป็นมาตรฐานแล้วเป็นเป็นหลักนะแต่พวกเรากองพ่อก็ยังไม่มั่นใจแต่ตามไม่จริง แพทย์อย่างเนี้ยถึงจะ60ถ้ากำลังกายยังแข็งแรงสติปัญญายัางพร้อมอยู่เนี่ยจะทำงานต่อไปก็จะให้กี่ปีอันนี้ก็หลวงพ่ อ, อยังไม่ทราบเหมือนกันนะคือจะ60 ป, ปีแต่ว่าพิพากษาเนี่ยหวงพ่อได้ทําถามว่า70ปีนะคณะทายาดโยมนะแต่ตามไม่จริงถ้าว่านายแพทย์กูเหมือนกันนผะู้ที่ผ่าตัดเรื่าเกี่ยวกับ ผู้ที่ชำนาญการควรจะมีวิ ช, ชาหรือว่าสอนวิ ช, ชาความรู้ให้ประสิทธิ์ประสตรธความรู้ให้กับคณะแพทย์รุ่นใหม่หมลวงพ่อว่าก็จะเกิดประโยชน์เหมือนกันนะเพราะอายุ6 0สปีเนี่ยถ้าจะว่าไปแล้วก็สติปัญญาก็ยั ง, ย, งยังเข้มข้อนอยู่ยังเข้มข้อนอยู่พร้อมที่จะประสิทธิ์ารสิทธความรู้ความสามารถให้กับ รุ่นลูกลูกหลานรุ่นน้องน้องได้พะวิชาความรู้บางสิ่งบางอย่างเทคนิคบางอย่างอยู่กับครูบาอาจารย์ก็ไม่ใช่น้อยเหมือนกันเพราะนั้นวันนี้ก็เป็นวันกเกษียณอายุราชการของแพทย์พยาบาลหรือพนักงานหกสิบปีที่จ ะ, กะเกษียณเดือนตุลาที่จะถึงนี้อันนี้เป็นเดือนกันยานะแต่ถึงยังไงก็าตามในหลักของพุทธศาสนา อันนี้ก็คือบอกบง่งบ่งบอกถึงอายุมาถึงจุดนี้แต่หลวงพ่อเองกําลังแสดงธรรมและกําลังพูดอยู่นี่ยกำลังกล่าวอยู่นี่ยนะหลวงพ่อกับเจ็ดสปีแล้วนะคณรสทาญาติโยมโลูกหลานถ้าจะว่าไปเป็นพี่ๆนะเป็นพี่ของพวกเธอพวกท่านพวกเราท่านทั้งหลายเพราะอะไรเพราะหลวงพว่อหลวงพ่อเกิดก่อนนะพวกเราเพียง60นะหลวงพ่อ72แล้วปีนี่น ะ, เ, ะเพราะฉะนั้นหลวงพ่อก็จะได้ เนี่ยกล่าวอะไรให้พวกน้องๆให้ได้ฟังให้ได้ศึกษาสรุปแล้วคือหลักของพุทธศาสนาเนี่ยอย่างที่หลวงพ่อได้ศึกษามาท่านก็ว่าอจะตั้งอยู่ในความประมาทเนะอะเพราะว่าชีวิตของพวกเราไหลไปข้างหน้าเรื่อยๆนะอย่างหลวงพ่อเนี่ยนะไหลมาถึง 70-72 ปีแล้วนะจะอยู่ไปนานจากเท่าไรอันนี้ก็ยังไม่มียังไม่รับรับรองรับประกันไม่ได้ แต่พวกเราท่านทั้งหลายก็เหมือนกันมาถึงจุดนี้แล้วมาถึงจุด6กสิบปีแล้วเราจะยืนไปสักเท่าไรแต่ถึงยังไงก็ถึงจะไปขนาดไหนก็เถอะเราก็ไปเด็กเป็นทุกข์เป็นร้อนะเพราะถึงยังไงมันถึงจุดมันก็จบเองนะแต่ถึงยังไงก่อนที่จะถึงจุดจบจุดนั้นพวกเราควรจะประกอบคุณงามความดีอันนี้จุดนี้สาคัญนะก่อนนี้จุดก่อนที่จะไปถึงจุดนั้น เรามีคุณงามความดีมีบุญกุศลรองท้องหรื อ, อยังบุญกุศลของเราได้เตรียมพร้อมหรื อ, อยังเพราะว่าในหลักของพุทธศาสนาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าในทันว่าไม่ใช่เกิดมาชาตินี้ชาติเดียวเราต้องมีมอีอนาคตชาติ อ, อีกตายแล้วไม่สูญพูดง่ายๆโปรดฉลุใหยฟังเลยว่าตายแล้วไม่สูญ ในหลักของพุทธศาสนาเนี่ยท่านบ่ตายแล้วไม่สูญตายแล้วยังเกิดอีกไม่ใช่ว่าชาตินี้ชาติเดียวพระพุทธเจ้าท่านบำเพ็ญบุญบา ร, รมีมาตั้งแต่ อ, อสงไขยมาแต่ร้อยพศหลายร้อยหลา ย, า ย, ายพันหลายหมื่นหลายแสนชาติจึงได้มาตัดเป็นพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณอย่างพวกเราท่านทั้งหลายก็เหมือนกันม่ใช่ว่าเกิดมาชาตินี้ชาติเดียวมีอดีตชาติ มีกรรมเป็นเครื่องนํามามาเกิดนะกรรมคืออะไรไม่ใช่ว่ากรรมไม่ใช่กรรมชั่วที่เดียวไม่ใช่นะคำว่ากรรมคำนี้คือเป็นสองนะกรรมดีกับกรรมชั่วนะถ้าว่าพวกเราได้ทำกรรมสิ่งที่ดีเอาไว้เรียกว่ากรรมดีถ้าพวกเราทําที่สิ่งที่มันไม่ดีเรียกว่ากรรมชั่นะกรรมชั่นให้ผลยังไงกรรมชั่วให้ผลเป็นทกตกต่ํา เกิดตกนรกเป็นเปรตเป็นสัตว์ที่ไรฉานช้างม้าวัวควายหมูหมาเป็นเป็ดไก่อันนั้นแปลว่ากรรมชั่วให้ผลกรรมดีกรรมชั่วให้ผลที่มาเกิดเป็นมนุษย์มาเกิดเป็นมนุษย์มนุษย์ก็จริงอยู่แต่พอมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วบ้าใบเสียจริตพิกลพิการอันนี้ก็แปลว่าเราเกิดมาใช้กรรมกรรมที่มาส่งมาเกิดเป็นมนุษย์แต่ไม่สมบูรณ์ แต่กรรมดีที่เกิดมาและพวกเรามีอวัยวะทุกอย่างสมบูรณ์มีสติปัญญาสมบูรณ์ได้รับการศึกษาดีแล้วก็เกิดในตระกูลดีแล้วก็มีฐานะพ่อแม่มั่งมีสีสุขไม่ได้รับความทุกข์เดือดร้อนในปัจจัย4่อันนี้แปลว่าเราบุญบุญส่งมาเกิดแต่พวกพวกเราบางท่านบางคนพอมาเกิด ถึงบุญส่งมาเกิดดีแล้วก็จริงอยู่แต่มาเกิดแล้วลืมตัวจุดนี้นะจุดที่ลืมตัวเนี่ยแหละหลักของพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ว่าอย่าลืมตัวให้มีให้มีคุณธรรมศีลธรรมอยู่ในจิตใจถ้าพวกเราห ล, ลงลืมตัวแล้วพวกเราจะตกต่ำแล้วก็หมุนลงไปอีกอลงไปอีกไปตกนรกไปเกิดเป็นสัตว์ที่ไารช้างาว่าวกไวยไปอีก แต่พอไปเกิดเป็นสัตยเทิดฉานแล้วก็มุ่งหวังอู้ขอให้เข้าไปาพระเจ้าเกิดในตระกูลสูง ข, ขอให้สูงขึ้นกว่านี้ด้วยเถิดในจิตในใจเหมือนกับพวกเรานะมาเกิดถึงอยู่อย่างนี้ก่เถอดนะไม่มีใครที่จะปรารถนาให้ตัวเองตกทุกข์ได้ยากลาบากเขินใจไม่มีพวกเรามีแต่ปรารถนาขอให้สูงสงขึ้นไปกว่านี้กว่าเป็นอยู่ในเดี๋ยวนี้ให้สูงสงที่สุดเท่าที่จะสูงสงได้ไอันนี้คือ ความฝ่ฝันของจิตวิญญาณของดวงใจของไม่ว่าสัพสัตไม่ว่ามนุษย์ไม่ว่าเทวดานะมีความฝ่สูงไว้อยู่ในจิตใจเพราะนั้นเมื่อเขาตกต่ำก็จริงอยู่เมื่อเขาฝ่สูงคุณงามความดีที่เขาได้กระทำไว้ความดีนั่นก็งอกเกยขึ้นมากลับขึ้นมามาสูงสูงสงขึ้นมาเรื่อยๆในเมื่อสูงสงขึ้นมาแล้วเนี่ยลืมตัวอง เ น, นื่องการลืมตัวจุดนี้แหละหลักของพุทธศาสนาท่านให้เตือนไว้อยู่เสมอว่าพวกเราอย่าลืมตัวเกิดมาทั้งทีชีวิตได้เกิดมาในพบพระพุทธศาสนาได้ทําการทํางานดีขนาดนี้แล้วอย่าตั้งอยู่ในความประมาทเพราอตายแล้วไม่สูญในหลักของพุท ธ, ธนะตายแล้วเกิดอีกออสิ่งที่พิสูจน์พระพุทธเจ้าท่านไปพิสูจน์ดูแล้วนะอย่างวันนี้แหละถ้าว่าพวกเราเกิดมาวันนี้วันเดียวไม่มีเมื่อวาน ไม่มีอาทิตก่อนเดือนก่อนปีก่อนแล้วก็ชาติก่อนอีกท่พระพระุทธเจ้ามองข้ามพบข้ามชาติไปอีกเนี่ยที่พระพุทธเจ้าไปค้นคว้าศึกษาอยู่ที่โคลนต้นโพนะในวันเดือน6กเพนนะ์พระพองค์นั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายมึอทากายให้ตรงทํานะำรงสติเฉพาะหน้ากําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกท่านะนะพระพองค์รู้นะรู้แก่ใจจากนั้นพระพองค์ก็ได้ ตัดสู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณที่โคลนต้นโพในคืนในเย็นวันนั้นคืนวันนั้นน่ะเรียกว่าปุเพนิวาสานุสติญาณอันดับดับดเลออันดับแรกนะคือฌานของพระ อ, องคนะ์นั่นคือปุเพนิวาสานุสติญาณลำลึกลำลึกชาติโผนหลังได้ถ้าว่าพระ อ, องค์เกิดมาชาตินี้ชาติเดียวจะร้ลึ ก, ลกถึงเมื่อวานได้ยังไงใช่ไหมล่ะ เ, เกิดมาวันนี้นะ่ะ ใ่วันเดียวไม่มไม่มีเมื่อวานอันนี้ต้องมีเมื่อวานและก็อาทิตย์ก่อนเดือนก่อนปีก่อนแต่พระ อ, องค์มีานรน์มียานรัศนะมีฌานะมีความรู้พิเศษทนะ่านระลึกถึงชาติต่อชาติผลหลังได้ น, ะนี่แหละหลักของหลักของพุทธศาสนาเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านมาถึงจุดนี้แล้วควรจะประกอบคุณงามความดีควรจะสังสมบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของพวกเรา สิ่งไหนที่มันไม่ดีอย่าคิดอย่าคิดอย่าทำอย่าพูดในสิ่งที่มันไม่ดีนั้นในเมื่อเราคิดทำพูดสิ่งที่มันไม่ดีสิ่งที่มันไม่ดีจะเข้ามาสู่จิตใจของพวกเราจิตใจของเราจะเป็นที่รับทั้งบุญรับทั้งบาปหลวงปู่ล่าท่านบอกว่าใจของเราเนี่ยเป็นคลังของบุญเป็นคลังของบาปับทั้งดับทั้งดีรับทั้งชั่วเพราะนั้นพวกเรา เมื่อประกอบความดีให้ความดีเข้าสู่ในจิตใจรับแต่แต่ดีสิ่งที่มันชั่วอย่าอย่ารับเข้ามาเข้ามาสู่จิตใจเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกทกท่านในเมื่อรู้หลักของพุทธศาสนาแล้วทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนรกสวรรค์มีจริงบาปปุลคุณโทษมีจริงทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วตายแล้วไม่สูนตายแล้วเกิดอีกอย่างนี้แหละพวกเรา เมื่อได้ทําราชการอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งเน้นผู้ที่เกษียณอายุราชการที่จะถึงที่ที่จ ะ, ะที่จะเกษียณนี้หลวงพ่อฟังฟังดูแล้วก็มีตั้งหลายผลทีเดียวเลยที่จะเกษียณในปีนี้นะมีทั้งสามสิบกว่าคนนะ่ะที่จะเกษียณ ในโรงพยาบาลของเราเพระโรงพยาบาลของเราเป็นโรงพยาบาลใหญ่ น, ะนี่มีทั้งหมอมีทั้งพยาบาลมีทั้งพันมัมีทั้งพนักงานแต่ทั้งยังไงหลวงก็ตามนะในเมื่อพวกเราได้มาทำค้อหูประการให้กับโรงพยาบาลมากมายแต่บัด น, นี้พวกเราได้กเกษียณอายุราชการออกไปชีวิตเบื้องหน้าต่อไปนี้เนี่ยพวกเราจะทำยังไงหลวงพ่อเคยอบเคยพูดกับ เคยตกลงแรืวว่าเคยสนทนากับผู้ที่จ ะ, กะเกษียณอายุราชการหลายรุ่นรุ่นก่อนๆบางทีเขาไม่ได้มาในโรงพยาบาลหรอกไม่ได้ไปที่ไหนคือโดยมากผู้ที่จ ะ, กะเกษียณก็ไปทําบุญที่วัดหลวงพ่อกรับถามว่าเมื่อกเกษียณแล้วจะไปจะทําอะไรตามภาษาของพระสงฆ์นะเมื่อกเกษียณแล้วจะทำอะไรบางทนกันตอบอไม่รู้จะทํำยังไงเออนะ เมื่อเกษียณอายุราชการแล้วก็ควรจะาหาันหน้าเข้าสู่วัดวาศาสนานะควรจะประกอบคุณงามความดีนะเพราะว่าเราก็ได้ทําคุณูณปการให้กับประเทศชาติมามากต่อมากแล้วเป็นเวลาถึง 3- 40ปี40่สกว่าปีก็มีที่เราได้ทําช่วยราชการช่วยทําการทํางานให้กับประเทศชาติบ้านเมืองแต่ปัจบันนี้มาถึงโค้งสุดท้ายของเราแล้วนะนะ าอายุหกปีแล้วตัวนี้ไปแต่ทางโลกเราก็มาได้ว่าทําการทํางานช่วยที่จะที่จะช่วยงานโรงพยาบาลหรือช่วยการแพทย์ช่วยอะไรเราก็ทําทําคนอุปการให้กับประเทศชาติบ้านเมืองแต่อย่าอย่าลืมอย่าลืมตัวเองประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านในหลักของพุทธศาสนาท่านว่าที่พระพุทธเจ้าก่อนปรินิพานก่อนที่ผมจะหมดลม ก่อนที่จะทำการปริญพาณของพุทธนะพระองค์สั่งเสียว่าขยะวยะธรรมมาสังขาราอั ป, ปมาเดนะซัมปาเดทาตนะิท่านบอกว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนะท่านบอกว่าสังขารไม่เที่ยงคือร่างกายสังขารองค์ขอ ง, ของท่านพนะระพุทธเจ้าไม่เที่ยงอีกไม่นานกนะ็จะหมดลมหายใจเข้าออกแล้วนะจะหมดลมแล้วสังขารทั้งหลายไม่เที่ยง ขอให้ท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทนะจากนั้นพระองค์ก็ปิดพระโอษฐ์ไปพูดอันนี้พวกเรานํำทำคําสอนที่พระพุทธองค์สั่งเสียนะมาประยุกต์หรือมานำมามาทบทวนในตัวของพวกเราที่ยังมีชีวิตอยู่นะเน่ยที่พระองค์สั่งเอาไว้สั่งเสียเอาไว้นะ่ะพระองค์เนี่ยสั่งเป็นอมตะวาจาเป็นวาจานไม่ตายเป็นวาจาที่ศักดิ์สิทธิ์นะ เรีว่าสังสพภะขยะาวิยะธรรมมาสังขาราสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเนี่ยนับตั้งตัวของเราด้วยว่าร่างกายสังขารของเราไม่เที่ยงอีกสักวันหนึ่งจะต้องตายต้องแก่เจ็บตายในที่สุดทุกคนไม่มีไม่มีใครละเว้นไปได้แม้กระทั่งพระพุทธเจ้าพระหันตรสาวกทกองค์ก็ปฏิธิพ่านด้วยการพวกเราหละเป็นใครพวกเราจะต้องไปตามนั้นเหมือนกัน แต่มาจุดที่พระองค์สั่งเสียว่ า, อาขอให้ท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดประโยชน์ตนพวกเรานี่แหละามาถึงประโยชน์ต่อก่อนประโยชน์ท่านนะพวกเราเรียนหนังสือขึ้นมาเนี่ย เ, เพื่ อ, เ, อเมื่อสอบได้เมื่อทำการทำงานได้ก็ช่วยประโยชน์ท่านได้รับเงินเดือนบ้างาแล้วก็ช่วย คนเก็บคนไข้คนป่วยช่วยสาธารณประโยชน์อย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้ได้ช่วยกันแล้วก็ช่วยครอบครัวช่วยพ่อช่วยแม่ช่วยวงสาขานายาตผู้ที่มีพระคุณเราก็ช่วยเหลือไปแต่ถึงยังไงก็ตามอันนั้นคือประโยชน์ท่านชวนประโยชน์ตนทีนี้ประโยชน์ตนคือส่วนตัวพวกเรามีอะไรบ้างที่พวกเราจะต้อง บำเพ็ญคุณงามความดีเข้าสู่จิตใจของพวกเราลพวกเราเตรียมพร้อมะอะไย่างพอหรื อ, อยังจุดนี้แหละเป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องทบถวนจะต้องโอปัยิโกมองเข้ามาหาตัวเองคุณงามความดีของเราเพียงพอหรื อ, อยังยังขาดเหลือขาดตกอะไรเมื่อเราใจขาดในขณะนี้เราจะไปที่ไหน เ, เรามั่นใจอะไอย่างว่าเราจะไปที่ไหน อ, อ, อันนี้ให้มองดูตัวเอง ถ้าเราประกอบคุณงามความดีมิจต่สั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจเราก็มั่นใจเออข้าพเจ้าไม่ได้ทำความชั่วเสียหายอะไรเมื่อข้าพเจ้าตายไปแล้วข้าพเจ้าก็จะระลึกถึงคุณงามความดีจะระลึกถึงบุญกุศลข้าพเจ้าต้องไปดีไปดีแน่เพราะอะรเพราะข้าพเจ้าไม่ได้ทำอันไหนที่ทำให้เสียหายอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้อปอุ่นประโยชน์ตนประโยชน์ตนคือ การสร้างสังสมคุณงามความดีและกับประโยชน์ท่านกับอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายได้ทํามาแล้วนะแต่บัด น, นี้ให้พวกเราผู้กเกษียณอายุทั้งหลายนะให้ย้อนเข้ามาทําประโยชน์ตนให้เน้นประโยชน์ตนด้วยนะประโยชน์ท่านก็ได้ทําไปแล้วนะนี่ประโยชน์ตนก็ให้นี่นะให้ประกอบคุณงามความดีแต่หลวงพ่อเองก็ไม่ใช่ว่าบอกเอ้ยพวกเราท่านหลายต้องทําทานนะ ต้องเสียสละต้องเอาจตุปัจจัยเอาเงินคำทรัพย์สมบัติทำบุญทำทานให้มากนะะั่นแหะคือประโยชน์ประโยชน์ตนหลวงพ่อไม่ได้ว่าอย่างนั้นนะประโยชน์ตนมันมีหลายมันมีหลายอย่างเหลือเกินประโยชน์ตนคือประกอบคุณงามความดีดูแลพ่อแม่วัยวุฒิคุณวุฒิก็คือประโยชน์ตนแล้วก็เรามายสั่งสมคุณงามความดีภาวนาไหว้พระสวดมนต์บาเพ็ญกุศล เข้าดูสู่จิตใจนั่งภาวนาเนะี่ยประโยชน์ตนชัดๆตัวนั่นนะ่ะในหลักของพุทธศาสนาคือประโยชน์ตนชัดๆอันดับหคือนั่งภาวนาเนะี่ยบัญญัติที่อันดับที่สองก็คือให้รักษาศีลให้ทานรักษาศีลภาวนาเนะี่ยทั้งสามอย่างเนะี่ยให้พวกเราท่านทั้งหลายมองดูตนเองควรจะรักษาศีลบ้างเป็นบางครั้งแล้วก็ไหว้พระสวดมนต์ แล้วก็นั่งสงบจิตสงบใจอันนี้คือเป็นการสร้างบุญกุศลเข้าสู่จิตใจเรียกว่าประโยชน์ตนนี่แหละขอให้พวกเราทุกถูกท่านในเมื่อมีประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านแล้วนะเราไปอยู่ในสถานที่ใดเราก็ภาคภูมิใจเมื่อมีชีวิตอยู่เราก็ภูมิใจนะถ้าเมื่อเราตายไปแล้วก็ยังคิดอยู่ว่าข้าพเจ้าจะคงไม่ตกต่ำเพราะข้าพเจ้าได้ประกอบคุณงามความดี ประกอบบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของข้าพเจ้ามากพอสมควรเกิดมาชาตินี้ไม่เสียชาติเกิดมามาแล้วก็ได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าได้ศึกษาธรรมะปฏิบัติแล้วก็ได้ลงมือประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของพุทธะด้วยอันนี้แหละอยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายเมื่อกเกษียณอายุราชการไปแล้ว บางคนก็ไม่รู้จะทํำยังไง เ, เ, เพราะมีเวลาว่างเยอะเหลือเกินผลที่สุกันนะ่ะไปเที่ยวตลาดนูน้นออกจากตลาดนูไปใส่ตลาดนี้ไม่รู้ว่แม็คโครไม่หัวโลตัสไม่รู้ว่ที่ไหนต่อที่ไหนเพราะจิตใจมันเออแล้วเหยื่มันจิตใจมันลอยไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะหลวงพ่อว่านะอพอเห็นพวกพวกเราท่านทั้งหลายาให้ศึกษาหลักธรรมะ เ, เมื่อกเกษียณอายุราชการแล้วก็ล่ะ ใช่เราก็ไปอยู่ออกกำลังกายถ่ายเทสมองไปดูที่ไหนที่ไหนบ้างจากนั้นก็มาไหว้พระสวดมนต์นั่งภาวนาปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมจากนั้นก็ไปสู่วัดวาศา ส, สนาเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนี่แหละอันนี้ก็คือการบำเพ็ญทางด้านจิตใจทั้งฝ่ายผู้ชายก็เหมือนกันไม่ใช่หดพอกเกษียณอายุมีเวลามากแนนนไปหาตกเป็ดไปหาตีไก่ไปหาเล่นกอล์ฟ เอออันนั้นก็ะชักมันก็ไม่ถูกอีกเหมือนกันนะหลวงพ่อว่านะควรจะมองดูตัวตนเองเราคิดว่าตายแล้วไม่สูญตามหลักของพุทธศาสนาตายแล้วเกิดอีกออบาบุญคุณโทษมีจริงนรกสวรรค์มีจริงเราควรหาคุณงามความดีเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจเอาเถอะ เ, เกิดมาชาตินี้บุญกุศลของเราคงจะมีเพียงเท่านี้ เ, เราได้ บำเพ็ญมาขนาดนี้ความร่ำรวยมั่งมีสิสุกยศฐาบนบรรดาศักข้องเราก็มีเพียงเท่านี้แต่ต่อไปภายภาคหน้าเราจะประกอบคุณงามความดีให้มากกว่ า, าพวกเราเกิดมาพบหน้าชาติหน้าบุญกุศลที่พวกเราได้บำเพ็ญไปนี่แหละจะไม่ไปไหนนะ เ, เข้ามาสู่จิตเข้ามาสู่ใจของพวกเราทั้งนั้นแหละาจากนั้นพ่อเกิดออกพ่อไปเกิดออกพ่อจาก ภาคจากชาตินี้ไปนะเราเป็นเลือกเกิดได้เลยนะแล้วจะไปเกิดที่ไหนไปเลือกเกิดตระกูลสูงๆก็ได้เพราะเกิดมาแล้วรวยเลยอย่างนั้นก็ได้เพราะในสง์ของในสง์ปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมของเรามีนะแต่ถ้าว่าพวกเราไม่ได้ไม่เชื่อไม่เชื่อในบุญในบาปไม่เชื่อในการเป็นอยู่ของตงนเอง พอในสุดพวกเราตายออกจากชาตินี้ไปตกต่ํานะลูกหลานนะข้าท่านศรัทธาญาติโยมทุกๆ ท, ท่านนะเพราะหลักของพุทธศาสนาแล้วท่านบอกท่านยืนยัดยืนยันแล้วตายแนละ้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกนรกสวรรค์มีจริงถ้าเราศึกษาในหลักธรรมคําสอนของพุทธะพระพระอาจารยาบำเพ็ญมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติจึงได้มาตัดสั้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเพราะนั้นพวกเราทุกๆู ท, กท่านนะ ถ้าพวกเราอยากจะรู้ว่าตายแล้วเกิดแล้วตายแล้วสูตรหลักพิสูจน์มีหลักพิสูจน์ทำยังไงให้นั่งคัดสมาธิในเมื่อไในพวกเราอยากจะรู้ว่าตายแล้วเกิดได้ตายแล้วสูตรเราไม่เชื่อใครแล้ววะแลเราจะเชื่อตัวเองเหมือนกับว่าในไฟมันร้อนนะสมัยลวงพ่อเห็นเด็ก เ, เห็นเด็กมีโป๊ะตะเกียงตะเกียงโปะ๊ะนน้ํามันกา๊าดสมัยก่อน เด็กเห็นไฟมึงมีแต่อยากจะจับอยากจะจับไฟอ่างั้นอ่ะผู้ใหญ่บางคนก็พยายามไม่ให้เด็กจับแต่โยมพ่อของหลวงพ่อเนี่ยเอ้ยให้มันจับเลยให้มันจับทีเดียวเท่านั้นแหละไม่ต้องบอกมันอีกถึงยังไงมันก็ไม่มือกันหน่อยเดียวเองล่ะมันก็ร้อนมันก็รู้จักเองนั่นแะไม่จะไปจับมันมันจะจะจะจับอยู่อย่างนั้นล่ะถ้าหาว่ามันจับทีเดียวมันจะเข็ดเลยนาะ มันก็อย่างนั้นจริงๆเลยเอพอแต่เกณฑ์โป๊ะนำมาร์การ์ดขึ้นมานะเด็กมันก็อบอกทั้งหนึ่งครั้งสองมันร้อนนะร้อนนะมันก็ยังอยากจะไปจับพอมันจับป๊อปเสียดแันวร้องจา้าใะรสักห่เอ้ยจากทั้นมาจับมือมันไปใส่สิมือมันก็ไม่อยากจะเข้าไปใกล้อีกเหมือนกันนี้ก็เหมือนกันนะนะั่นแหละถ้าว่าพวกเราอยากจะรู้อยากจะพิสูจน์ ว่าตายแล้วเกิดแล้วตายแล้วสูญนะเราจะไปคิดอย่าไปเดาอย่าไปอย่าไปประมาณการอย่าไปคาดคะเนในการคิดในจุดนั้นพระพุทธเจ้าท่านว่าผู้ปฏิบัติเท่านั้นจึงจะรู้ได้จึงจะรู้ได้ไดเห็นได้เนี่พระพุทธเจ้าท่านไปพิสูจน์อยู่ที่โคลนต้นโพคือนั่งสมาธิของท่าน น, ะนั่นแหละอขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะ่ะ ทำตามที่พระพุทธเจ้าแนะนําสั่งสอนเท่นี้เราอยากจะรู้ว่าตายและเกิดได้ตายไรสุดนั่งขัดสมาธิพอนั่งขัดสมาธิอยู่ในมุมสงบนะอยู่ในห้องแอร์ตามลําพังก็ได้ไม่ต้องมีใครละนั่งอยู่ตามลําพังคนเดียวไม่ต้องวิทยุโทรทัศน์โทรศัพท์ปิดหมดเพราะเราจะพิสูจน์การในใจของเราจากนั้นเราควนั่งขัดสมาธิในห้องแอร์ ขาขวาทับขาซ้ายนะพอขาขวาทับขาซ้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเราก็ประนมมือขึ้นระหว่างอกซะก่อนอ่พทุทโธธรรมโมสังโฆไหว้ครูซะก่อนคือไหว้พระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์เป็นจิตยรักษณะนะเพราะเหตุว่าพัฒการนั่งสมาธินี่คือพระพุทธเจ้าเป็นผู้สอนนะ เ, เราต้อง น, น้อมำรำลึกถึงพระพุทธเจ้าซะก่อนพระพุทธเจ้าเป็นผู้สอนเรื่องสมาธิ ไม่ใช่ว่าข้าเปเจ้าคิดได้คิดธทมไม่ใช่ผู้ใดใครผู้หนึ่งบอกให้ทําไม่ใช่เป็นพระธรรมคําสอนของพุทธะที่ท่านแนะนําสั่งสอนให้นั่งภาวนาพุทโธเนี่ยให้นั่งสำรวจจิตตัวเองเนี่ยสำรวจความสํารึกรู้สึกนึกคิดของตนเองเคือพระพุทธเจ้าจากนั้นเวลานั่งัดตมาที่เสร็จแล้วเราก็ไหว้ครูซะก่อนคือไหว้พระพุทธเจ้าพุทโธแล้วก็ทำโมคือพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าสังโฆ คือพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าที่นําพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้านะออกมาประกาศเผยแผ่ให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังเนะี่ยคือพระสงฆ์จากนั้นเราก็เระลึกถึงพุโทโธธรมรมโสดสามจบจะเริมือลงพอมือลงมือขัดสมามือขวาทับมือซ้ายใช่ไหมขาขวาทับมือขาขวาทับขาซ้ายแล้วก็มือขวาทับมือซ้ายทํากายให้ตรงจากนั้นกําหนดลมหายใจเข้า หายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าพดหายใจออกรู้ว่าหายใจออกโทเอหายใจหายใจเข้าพดหายใจออกโวนี่คือกรรมฐานของหลวงปู่มั่นนะคนักทายญาติโยมแต่กรรมฐานของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรรู้ในขวดวันโขนต้นโพให้พวกเราศึกษาศึกษาดูหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออก มีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าในลมหายใจออกอันนี้คือพุธธทธะที่ท่านได้ตัดรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณที่โคลนต้นโพนั่นท่านกําหนดลมหายใจแต่หลวงปู่เสาลูกปู่มั่นนั้นะว่าเราเป็นสาวกเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าเราจะกําหนดแต่ลมหายใจเข้าออกเฉยเฉมันน้อยเกินไปนะมันหลงมันลืมมันเผลอมันหลงซ่อนหลงเงินได้ง่ายให้บริกรรมพุทธ โทด้วยนะหายใจเข้าพดหายใจออกโทร น, ะนี่แหละเราพวกเราเราควรจะกําหนดต่างอย่างที่หลวงปู่มั่นที่ท่านสอนนั่นแหละาหายใจเข้าพดหายใจออกโทรหายใจเข้าพดหายใจออกโทอย่าไปคิดถึงอดีตที่ผ่านมาอย่าไปคิดถึงอนาคตที่ยังไม่ถึงให้จิตใจอยู่ในปัจจุบันขณะนี้เดี๋ยวนี้หยุดที่ลมหายใจเข้าหายใจออกเท่านั้น ในเมื่อมันหลงไปดึงกลับขึ้นมาบังคับให้อยู่กับพุทโธ น, นี่แหละวิธีการสํารู้สํารวจว่าตายแล้วเกิดแล้วตายแล้วสูงนะคระศรัทธาญาติโยมนะจากนั้นก่อนนั่งพุทพโธพุทพโธพุทโธพุทโธใจของเราจะรวมรวมรวมรวมรว ม, ว ม, รมกนเ่งเลยจะเน่งจิตใจไม่คิดถึงอดีตจิตใจไม่คิดถึงอนาคตจิตใจรวมรวมเป็นสมาธินะพอจิตใจรวมเป็นสมาธิจิตใจนิ่งเป็นหนึ่ง พอจิตใจนิ่งเป็นหนึ่งเท่านั้นละ่ะกายกับใจใจกับกายรู้ได้ชัดเลยทนายเพราะมันอยู่กับตัวเองเนี่ยร่างกายนี่คืออันหนึ่งจิตใจนี่เป็นอันหนึ่งไะเป็นคนละอันกันเลยทนายนี่แหละอหลวงพ่อก็เลยเปรียบเทียบไปกับคณะสัตธาญติโยมเพราะทุกวันทุกวันนี่เราไปที่ไหนเราปีนตะนั่งรถไปใช่ไหมหลวงพ่อก็เลยเปรียบเพราะเออสัตยาธิโยมนะร่างกายเหมือนกับรถแต่จิตใจเหมือนกับคนขับรถเออ ใจกับกายเนี่ยเป็นขนละอ่านกันนะลูกหลานนะเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงจะให้ความสําคัญเป็นสองอย่างว่รูประธรรมคือร่างกายนามมะธรรมคือจิตใจนี่แหละรูประธรรมกับนามะธรรมนามมะธรรมคือมองไม่เห็นด้วยตาเนื้อนะเป็นนามมะเนะี่ยเป็นนามมองไม่เห็นด้วยตาเนื้อแต่รูประธรรมมองเห็นคือร่างกายของพวกเรานั่งอยู่ด้วยกัน แต่จิตใจไม่มีใครมองเห็นว่าจิตใจเรานึกคิดเรื่องอะไรไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นแต่ตัวเองรู้ว่าเรานึกคิดเรื่องอะไรในขณะนี้เนะนี่แหละเวลาเรานั่งภาวนาพอจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่งเราจะรู้ได้โดยตัวเหนี่ยวกายกับใจใจกับกายเป็นขนละอันกันในเมื่อเราจิตใจรู้เราเป็นขนละอันกันเท่านั้นเลยนะเออเราก็รู้ได้แก่ตัวเออร่างกายของเราเนี่ยแตกตายสลายเอาไปเผาไฟทิ้งแน่ๆตายแน่ แต่ตัวนมามธรรมตัวจิตใจนี่โดดเด่นเหลือเกินเมื่อออกจากร่างนี่แล้วคงจะไปปฏิสนที่ไปหาเกิดที่อื่นได้อีก น, ะนี่แหละ ว, วิธีการพิสูจนะ์ะพิสูจน์ไม่ใช่พิสูจ์ที่อื่นพิสูจน์ตัวของพวกเราเองเนี่ยนะพอจากนั้นเรานั่งสมาธิจิตใจของเรารวมสงบแล้วนะกายกับใจคนละอันกันแต่เรารู้ได้เลยว่าร่างกายใจของเราเนี่ยจะไปเกิดปฏิสนที่ไปในเกิดในภพภูมิต่างๆพระพุทธเจ้า หรือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านท่านจึงว่าใจตัวนามธรรมเป็นคลังของบุญเป็นคลังของบาปพ่อยังไเพราะเราทําชั่วกับใจคิดไปทำใช่เราทําดีคือใจเป็นเป็นพวกคิดไปทำํพทำพราะทําดีแล้วทาชั่วใจเป็นคนคิดนะร่างกายมันเป็นเครื่องมือเท่านั้นเองนะเหมือนกับรถาพาเราไปท่านเองในเมื่อไปฆ่าคนไปป้นไปจี้ไปอะไรพอเสร็จแล้วมันกระโดดขึ้นมารถรถก็พาวิ่งหนีนะลักษณะอย่างนั้นแหะ อันนี้ก็เหมือนกันนะใจของเราเนี่ยเป็นเป็นผู้สั่งให้รถไปไปทําเพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านจึงยว่ามโนปุพังขมาธรรมามโนเสถามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจใจคืออะไรก็คือตัวมทัทธิมคือตัวผู้รู้นั่นแหละนั่นแหละตัวนั้นแหละสําคัญกว่าเพราะฉะนั้นพวกเรา ได้สั่งสมบุญกุศลมากน้อยกัอะไรก็ตามนะเราสั่งสมเข้ามาหาสู่จิตใจดวงนั้นแหะจิตใจตัวคลังของบุญคลังของบาปนั่นแหะใจตรงนั้นแหะจะเป็นผู้รับบุญรับบาปนะแต่ดวงใจดวงนั้นแหะจะพ่อเป็นพ่อพ า, าไปเกิดในภพภูมิต่างๆเพราะฉนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะนี่คือหลักของพุทธศาสนาหลักพิสูจน์อย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวว่าพิสูจน์จะไงจึงจะรูนะ้ให้นั่งสมาธิอย่างที่ว่า เมื่อจิตใจสงบรวมเป็นหนึ่งแล้วไม่ต้องถามใครเพราะนั้นปฏิปทาและวันแนวแถวสายหลวงปู่มั่นของพวกเราพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลว ง, งตาหลวงตามหาบัวเราไปถามด้วยสิหลวงตาเกิดตายแล้วเกิดได้ตายแล้วศูนยะ์ท่านจะสอบชัดเจนเลยไม่มีใครนะถ้าผู้ปฏิบัติแล้วนะครูบาอาจารย์ท่านผู้ปฏิบัติผู้นั่งสมาธิแล้วนะท่านจะไม่พูดเป็นอย่างอื่นเลยตายแล้วเกิดแน่นอนเพราะว่า ท่านนั่งภาวนาดูแล้วเนะี่ยกายกับใจใจกับกายอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวให้กับคณะทาญาทโยมทุกๆท่านเพราะนั้นในวันกเกษียณอายุราชการวันนี้ที่พวกเราทำบุญก็ขออยากจะให้พวกเราทุกๆท่านเนี่ยที่กเกษียณจกกะเกษียณน่ะขอให้ประกอบคุณงามความดีให้สังสมบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของพวกเรา อย่าตั้งอยู่ในความประมาทแต่ที่ยังไงพวกเราก็ทำโขนุประการให้กับประเทศชาติมามากต่อมากแล้วตอนนี้ไปอาจจะเป็นโค้งสุดท้ายของเราเราก็ไม่ได้ประมาทเราก็สิ่งไหนที่เราจะถ่ายเท ถ, ยถ่ายทอดให้กับประเทศชาติให้กับวงการแพทย์กับวงการพยาบาลเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็พยายามถ่า ย, ายทอดวิชาแต่ทึ่ยังไงส่วนวิชาตนเองด้วอกคณงามความดีเข้าสู่จิตใจของตนเองนั้น อยากจะให้พวกเราเน้นหนักขึ้นกว่าแต่ก่อนเพราะแต่ก่อนเนะเรามีแต่ทำหน้าที่การงานช่วยเหลือประโยชน์ประโยชน์ท่านอยู่แต่บัดนี้อยากจะให้มาเน้นมาเน้นประโยชน์ต้นคือประกอบคุณงามความดีควรสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของพวกเราเพราะนั้นวันนี้หลวงพ่อได้กล่าวพุทธภาษิตเบื้องต้นว่า อเสวานาจะพาลานังหลวงพ่อเกาา่าคุณพระศิษยอะไรเบื้องต้นผมผมพ่อก็เลืมแล้วนะแต่ว่าเป็นมงคลนี่แหละอมงคลละสูตรนี่แหละสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายเพราะมงคลและสูตรมีทั้งสามสิบแปดมงคลนะอเสวานาจะบาลานังบัณฑิตา น, า น, าานั้นจะเสวนาอันนี้กันปูชาจะปูชนียานังมันก็มีมงคลสามสิบแปดประการ แต่หลวงพ่อได้ยกเป็นพุทธภาษิตขึ้นมาให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาแล้วก็ให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านอย่าตั้งอยู่ในความประมาทสรุปแล้วหลวงพ่อย้าจุดหนึ่งว่าในพุทธภาษิตว่าขายัวยะธรรมมาสังขาราอั ป, ปมาเดนะซัมปาเดธาติจุดนี้ก็คือหลวงพ่อจะเน้นอยู่เสมอว่าขอให้ท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตน สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสังขารคือร่างกายสังขารของเรานี่แหละตั้งแต่หัวจดเท้าเนี่ยคือร่างกายสังขารมันจะต้องเกิดขึ้นมาแล้วแก่แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายในที่สุดไม่มีใครที่จะยกหลีกเลีหนีเว้นไปได้เรื่องมรณะภัยคํานี้แต่ถึงยังไงก็เถอะก่อนที่จะถึงจุดจบจุดนั้ น, นในหลักของพุทธศาสนาเราย่างหลงพ่อเ น, เน้นว่าตายแล้วไม่สูญหลักพิสูจน์ทำยังไง หลวงพ่อก็ได้พูดได้กล่าวให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังแล้วนะแล้วก็เนี่ยเมื่อเร า, เอารู้แล้วว่าบาปบุญคุณโทษนรกสวรรค์มีจริงตายแล้วไม่สูญเนี่แหละประโยชน์ต้นเราก็อย่าได้ประมาทประโยชน์ท่านเราก็ได้ทํามาแล้วในช่วยเหลือประเทศชาติบ้านเมืองมาแล้วขอให้พวกเราทุกๆท่านประกอบคุณงามความดีสังสมบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของพวกเรา ให้พวกเราถ้าบ่าพวกเราประกอบคุณงามความดีและความสุขความเจริญความสุขความเย็นใจในตัวของเราก็จะร่มเย็นเป็นถุกลึกๆแล้วก็ไม่มีใครที่จะทำให้กับพวกเราได้นอกจากตัวของพวกเราเองขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านได้เกิดมาในพบนี้ชาตินี้ได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพระธรรมคำสอนของพระพุทธทเจ้า แล้วก็ได้ฟังโอวาททำคําสอนของพุทธะที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวไปนี่นะไม่ใช่โอวาทของหลวงพ่อนะอารัฐาญาติโยมนะหลวงพ่อได้ศึกษาได้หนักเล็นนาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าออกมาประกาศออกมาเผยแพ่ออกมาชี้นําให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษานะแต่เมื่อพวกเราได้ฟังได้ศึกษาแล้วก็นําไปกันกรองไตรตรองด้วยสติด้วยปัญญาของเราอีกทีหนึ่ง จริงไม้จากนั้นก็ลงมือปฏิบัติอีกนะลงมือปฏิบัติอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเนะี่ยนั่งคัศมาธิเนะี่ยนั่งคัศมาธินะาธนะทําจิตใจให้สงบกําหนดลมหายใจเข้าพดหายใจออกโธจนจิตใจรวมสงบเมื่อจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่งแล้วนะจะเชื่อได้ไม่เชื่อใครเลยท่นี่เชื่อด้วยตนเองเลยท่นี่เหมือนกับเด็กจับไฟอย่างนั้นนะ ใครจะจับมือให้ไปจับไฟมันจะไม่จับเเดีรู้ได้ด้วยตนเองนี้ก็เหมือนกันนั่นแหละเรานั่งสมาธิเราจะรู้ได้ด้วยตนเองตายแล้วเป็นยังไงใจของเราเป็นยังไงกายของเราเป็นยังไงเราเมื่อจิตสงบแล้วนะเราจะรู้ได้นั่นแหละบาปบุญคุณโทษประโยชน์ที่ไม่ใช่ประโยชน์ใจดวงนั่นแหละเป็นผู้รับทั้งหมดวนฉะนั้นขอให้พวกเรา ท, ทุกท่านคณะครูบาอาจารย์คณะ ทุกท่านนะวันนี้ถือว่าเป็นวันมงคลมหามงคลยิ่งที่ท่านผ อ, อ, อ, อเป็นประธานและคณะแพทย์อาจารย์ทุกหมู่เราได้มาร่วมมารวมกันทําบุญเพื่ อ, อวันกเกษียณอายุราชการอีกสักวันหนึ่งพวกเราขอคงที่ทําการทํางานไปก็คงจ ะ, กะเกษียณอีกเหมือนกันนะะั่นแหะไล่กันไปเรื่อยๆอย่างที่หลวงพ่อเนะี่ยตะกรนก็เป็นลูกศิษย์ของครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาเป็นลูกศิษย์หลวง หลวงปูฟัน่นหลวงปูขาวหลวงปูลาดหลวงตามหาบวชไล่เลียงก่อนไปเรื่อยๆอผลในสุดมันมาถึงตนเองแล้วแต่เนี่ยมาถึงหลวงพ่อแล้วเนี่ยหลวงพ่อไม่พูดก็ไม่ได้แตเนี่ยมาถึงรุ่รนหลวงพ่อแล้หลวงพ่อมีอะไรกับม่มาแนะนําสั่งสอนบอกเราให้การนับศรัทธา ญ, ญาติโยม ล, ลูกหลานทายทอดลงไปต่อไปภายภาคหน้าก็คงจะเป็นพระรุ่นน้องๆของหลวงพ่อเนอเนออ เป็นผู้ทดแทนอีกต่อไปนี่แหละมันเป็นทอดๆนี้ก็เหมือนกันโรงพยาบาลของเราลุงเพอ อ, อ ก, ก็ไม่รู้ว่ากี่ท่านแล้วถ่ายเทกันไปเรื่อยเรื่อยๆื่พวกเราก็ออกไปพวกรุ่นน้องเข้ามาทดแทนแต่ที่ยังไงก็ขอให้พวกเราทุกรุ่นนะนะพวกเราก็ควรจะเป็นตัวอย่างที่ดีของรุ่นน้องๆอีกเหมือนกันเราทำดีที่สุด ล, ละเป็นตัวอย่างที่ดีของน้องๆแห ล, ละขอให้น้องๆทั้งหลาย ที่ฟังอยู่ด้วยกันนี่แหละก็ถือถือทอดที่ลุนพี่ๆได้ทำเอาไว้สิ่งที่มันไม่ดีอย่าทำอย่าทำตามนะทำสิ่งที่มันดีนะไม่ใช่ว่าลุ่นพี่ทำอะไรทำทำตามหมดไม่ได้นะถ้าทำสิ่งคุณพี่สิ่งที่มันไม่ดีบางทีลุ่นพี่ก็ถลําทำเหมือนกันนะพอทำแล้วแหละพวกเราอย่าไปทำตามสิ่งนั้นรู้ละเอเอรุนพี่ทำไม่ดีจุดนั้นนะ เราก็ควรจะปรับปรุงแก้ไขนะอย่างหลวงพ่อเคยพูดนะเรื่องพูดหลวงพ่อเคยพูดบอกว่ามีท่านผู้หนึ่งเป็นผู้ใหญ่พอตัวเองแซงหน้าผู้ใหญ่พอแซงหน้าเขาผู้ใหญ่เขาก็เตะเตะโด่งไปพราะไปแซงหน้าเขาใช่ไหมละ่ะไปทําออกล้ําหน้าของเขาเกินไปพอปพอเขาเตะไปย้ายย้ายย้ายไปที่อื่นแทน ย้ายไปที่อื่นไปจุกอยู่ที่นู่นน่ะเออตายเราเนี่ยทำผิดใชแล้ววะ เ, ออเราจะทําผิดไปใะแล้ว อ, อต่อไปนี้น่ะเราควรจะปรับปรุงตัวของเราใหม่ออท่านกลับมาท่านก็คิดได้แนีพอกลับมาท่านคนไปที่โน้นทำการทํางาน อ, อแต่พยายามทําให้ดีที่สุดพอเจ้านายเห็นเออนิสัยส่เขาก็ดีลกลับมาอีกทํางา น, นกลับมาคราวนี้โอ้เป็นเด็กดีเลยแท่นี่ทำงานดีมาก ไม่เก่งไม่กลางเหมือนกันะไม่เตะแข่งเตะขาคนอื่นเขาทำงานดีแต่ในใจท่านว่าในใจเอาเถอะในเมื่อเราเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาเราจะทำดีที่สดุดในจุดที่ผู้ใหญ่ทำตะก่อนเนี่ยเราจะไม่ทำเพราะทำไปแล้วมันดูดูแล้วมันไม่ดีมันไม่ถูกต้องนานี่แหละอันนี้ก็อยากจะให้พวกเราทุกท่านเหมือนกันนะเมื่อเป็นผู้น้อย เราก็ต้องวางตัวอีแบบแบบนึงในเมื่อเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาเราควรจะปรับปรุงแก้ไขสิ่งไหนที่ให้มันดีขึ้นให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชนต่อสังคมหรือว่าให้ดีที่สุดหรือมันถูกต้องที่สุดนะเราก็พยายามทำจุดจุดนั้นเมื่อเมื่อเมื่อมีอำนาจนะในเมื่อมีอำนาจที่เราจะทำได้นะแต่ถ้าว่าเมื่อมีอานาจก็จริงอยู่แต่มันทำไม่ได้มันหลายอย่างถ้เกิดอีลงตงนังกันไปหมด เราก็ต้องระมัดระวังอีกเหมือนกันนะนะพออยู่ในโลกนี่มันนาจิตน า, นานาจิตต่างนานาทัศนะนะแต่ถึงยังไงก็ขอให้พวกเราทุกท่านให้มองไปทางเดียวคือให้มองถ้าจะวางเป็นมองไปทางทิศตะวันออกไงมองไปทิศตะวันออกด้วยกันคือให้มองไปในทางที่ดีเอ่สิ่งไหนที่มันไม่ดีคิดไม่ดีทําไม่ดีพูดไม่ดีก็รู้แก่ใจพอเราเป็นพวกเราเป็นผู้ใหญ่ด้วยกันทุกคนแล้วนะ เราเป็นผู้ใหญ่ทุกคนแล้วอันไหนมันไม่ดีสิ่งที่มันไม่ดีคิดไม่ดีทำไม่ดีพูดไม่ดีเราจะไม่ทำอย่างนั้นเราจะคิดดีทำดีทพูดดีเท่านั้นเพราะชีวิตของพวกเรามันมีจุดจบนะถึงจุดนั้นเราควรจะประกอบคุณงามความดีควรจะสั่งสมคุณงามความดีควรจะสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของพวกเราเนี่ยอยากจะให้พวกเรา ท, ทุกทท่านเนี่ยคือหลักธรรมคาสอนของพุทธะนะ ท่านสอนอย่างนี้นะการนาสถาญาติโยมโลกหลานอันนี้ตอนนี้ไปการกล่าวสมโภชธนิยกถาก็เห็นว่าสมควรกับการเวละกล่าวยาวใ น, นวันนี้นะด้วยอํานาจคุณพระศีรัตนตรยัยพระพทุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อนุภาพสิ่งศักดิ์สิทธิ์อนุภาพบุญบา ร, รมีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์และกับุญอนุภาพที่ตนเองพวกเราทุกท่านได้ประกอบคุณงามความดีมายาวนาน